ก็เราเข้าคอร์สบางทีก็ตั้งออกตั้งใจแล้วคุ้มเกิดที่คนเขาออกเงินให้หรือเสียเวลาให้บางคนมาเข้าคอร์สก็ไม่ได้ผลก็มีเหมือนกันพวกที่ไม่ได้ผลจะเป็นพวกคิดมาก <S <S <S ติดอยู่ในความคิดเดิมๆคล้ายแหวกกรอบความคิดของตัวเองไม่ออกเช่นต้องคิดว่าต้องนั่งสมาธิลูกเดียวเลยนั่งสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งปัญญาจะเกิด ไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีหลายแบบครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องสมาธินั้นได้ประณีตมากเลยคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านมีลูกศิษย์เราเลราสามรุ่นรุ่นโตที่สุดเลยรุ่นอาจารย์สิงห์คือหลวงปู่ดุล น, นี่หลวงปู่ดูลปกติท่านไม่ค่อยพูดอาจารย์สิงห์ท่านขยันสอน งั้นพระป่าเกือบทั้งหมดเลยที่ลูกศิษย์อาจารย์มั่นเนะี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์สิงห์ด้วยเนะี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นโตรุ่นกลางรองลงมาจากรุ่นหลวงปู่ดูลมาเป็นรุ่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นอะรพวกนี้ท่านพ่อหลีอะไรพวกนี้หลวงตามหาบัวนีนรุ่นหลังนะรุ่นเล็กพวกเราเกิดช้าแล้วก็มาเจอตอนหลวงตาก็อายุทั้งเยอะแล้ว เกิดไม่ทันย่งหลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศน่ะท่านเรียนจากหลวงปู่มั่นนะแล้วช่วงนั้นหลวงปู่มั่นขึ้นไปเชียงใหม่หลวงปู่เทศนี่ไม่ไม่มีอาจารย์ท่านก็ทําสมาธิไปเรื่อยหลวงปู่มั่นสอนสมาธิสอนพื้นฐานไว้เสร็จแล้วท่านติดสมาธิอยู่13ปีท่านแก้ไม่ได้ท่านไปหาท่านจย์สิงเพราแก้ไม่ตก ท่านก็เลยตามขึ้นไปทางเชียงใหม่เดินไปอะไม่รู้แล้วว่าหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนเที่ยวหาไปเรื่อยจากภูเขาลูกโน้นไปลูกนี้เนี่ยคนสแสวงหาธรรมะนะลำบากท่านเล่ามีคราวหนึ่งท่านเดินตกเขานะเป็นแผละอะไรเงี้ยหรือเดินไปไม่มีข้าวกินอยู่ในป่าอะไรเงี้ยโอ้ลำบากกว่าพวกเราเยอะเลย พวกเราอยากเรียนธรร ม, มนะนัแค่เปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วสบายมากเลยนอนอยู่ห้องแอร์กระดิกเท้าฟังเทศก็ได้นะแสนจะมีความสุขรุ่นครูบาอาจารย์ลำบากเนี่ยหลวงปู่เทศนะไปเจอหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็แก้ให้ปรับใหม่ให้เดินปัญญาเัางนันทำสมาธิมากเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดมรรคผลนิพพานอะไรหรอกละเรื่องกัน สมาธิหลวงปุเทศเก่งมากเลยสอนแจกแจงได้ละเอียดยิบเลยท่านสอนบอกว่าสมาธิมันมีสองอันอันหนึ่งเป็นสมาธิที่เพ่งอยู่ในรมเดียวนะท่านเรียกว่าฌานเพ่งไหมฌานก็มีได้หลายแบบสงบนิดหน่อยเฉียดเฉียดจะสงบลึกก็สงบลึกสมาธิ สมาธิก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นสมาท่านใช้คําว่าสมาธิคำว่าฌานเป็นสมาธิชนิดหนึ่งคําว่าสมาธิของท่านหมายถึงสมาธิอีชนิดหนึ่งถ้าพูดภาษาให้ถูกนะปริยัตนะิสิ่งที่หลวงปู่เทศเรียกว่าฌานนะีคืออารัมมณูปนิชฌานสมาธิเพ่งอารมณ์ส่วนสิ่งที่หลวงปู่เทศเรียกว่าสมาธินะีชื่อลักขณูปนิชฌาน สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วไปเจริญปัญญาส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธิกันมันเปนั่งเพ่งอารมณ์กันเกือบทั้งหมดเลยเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งลูกแก้วเพ่งไฟเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมสารพัดจะเพ่งสมาธิอย่างนั้นเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทาสมถะ มสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยประกอบด้วยสตินะไม่ขาดสติเลยรู้เนื้อรู้ตัวกระทั่งจิตรวมนะท่านก็แยกไว้3อย่างเหมือนกันมันก็คือคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินะัแต่มันตั้งอยู่ที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตหลวงปู่ ด, ดูลเนี่ยสอนนะสอนละเอียดเหมือนกันสอนไม่ให้ส่งจิตออกนอก ไม่ส่งจิตออกนอกก็คือมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองแต่ท่านไม่ได้แจกแจงสมาธิหลายแบบท่านเอาฟันทงเลยว่าจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตต้องต้องท่าเรียกว่าจิตไม่ออกนอกจิตถ้าออกนอกให้จิตมันเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์อันนั้นไม่ให้เอาที่ท่านสอนอย่างนี้นะแล้วท่านบอกด้วยซ้ําไปว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเนี่ยถึงเวลาสมาธิก็เกิดนะไม่ใช่ไม่เกิด ก็ตรงกับที่หลวงปู่เทศบอกนึงละคโนพณิชานมันก็เข้าถึงฌานได้เหมือนกันเป็นฌานคนละทีกันไม่ใช่ฌานออกข้างนอกหลวงปู่เทศนั้นจะชํานาญสมาธินะแล้วมีคราวหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นคารวาะเวลาภาวนาเนี่ยสังเกตเลยจิตมันจะเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์จิตมันจะไหลไปที่ตัวอารมณ์แล้วไปนิ่ ว, แ น, วแน้วแน่นิ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์ สงบอยู่ยงั้นนะ่ะนี่ต่อมาสังเกตเห็นว่าเอ้ยนี่จิตมันเคลื่อนไปก็ามาประคองไม่ให้จิตเคลื่อนไปประจิตจะขยับออกไปก็รู้จิตก็ตั้งมั่นอยู่กับตัวรู้วันหนึ่งนะนั่งสมาธิจิตมันเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์เราวันนี้เราลองดูซิมันเคลื่อนไปเราจะไม่จับอารมณ์เพรมันเคลื่อนไปใกล้ตัวอารมณ์นะ พอรู้ว่าจะแตะอีกนิดเดียวจะแตะตัวอารมณ์แล้วจะไปจับตัวอรมนะถอยคืนเลยทวนกระแสกลับเข้ามาที่ตัวรู้อีกพอทวนเข้ามาถึงตัวรู้นะไม่จับตัวรู้อีกนะถลทออกไปที่ตัวอารมณ์อีเข้าออกเข้าออกอยู่างนี้นะไม่จับอะไรเลยเสร็จแล้วมันรวมลงไปตรงกลางว่างโลกธาตุดับไปอะไรนะ่ร่างกายไม่มีนะตรงนั้นรู้สึกไม่มีเวลาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งเลย เป็นความรู้ตัวบริสุทธิ์ล้วนๆเลยโอ้นิพพานอยู่นี่ละมัง่งนะคิดอย่างนี้นะเดแล้วพอออกจากไอ้คิดเนี่ยมาคิดที่หลังนะตรงที่ไปทําในสมาธิพิลึกเนี่ยไม่ได้คิดพอออกจากสมาธิแล้ว น, นี่นิพพานละมัง่งอากาลิโกไม่มีเวลาเลยนะไม่มีสุขไม่มีโทษไม่มีอะไรเลยนะแม้แต่มีความสุขที่ประณีตมากเลยนะโลกธาตุก็ไม่มีรูปนามไม่มีนี่ ถ้าจะดีนะลองเล่นนะเล่นเรื่อยๆเล่นอยู่พักหนึ่งอ่ะนี่มันไม่ใช่มั่งหลวงปู่ดูลบอกให้เราดูจิตนี่เราไม่ได้ดูจิตเลยมันเล่นอะไรกับจิตที่ไม่รู้นะส่งจิตไปทางโน้นส่งจิตมาทางนี้แล้วไปรวมลงตรงกลางถ้ามันจะไม่ใช่หรอกสงสัมันจะเป็นสมถะอีกแบบหนึ่งตอนนั้นไม่เจอหลวงปู่ดูลแล้วหลวงปู่ดูลไม่อยู่ล้วอดีขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศ ไปเล่าให้ท่านฟังหลวงปู่ผมดำเนินจิตอย่างนี้นเป็นนี้ผมสงสัยว่ามันเป็นสมถะบอกท่านด้วยนะท่านบอกใช่มันเป็นสมถะแต่ว่าให้ไปเล่นไหมให้ชํานาญนะท่านสั่งเนี้ยไปเล่นให้ชํานาญนะไม่มีใครเขาเล่นกันแล้วตอนเนี้สมาธิอย่างนี้นะพลิกแปลงเรื่องสมาธิไม่มีคนทำํำบอกท่านบอกหลวงปู่ผมกลัวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวติดถ้าติด อาตมาจะแก้ให้เองท่านว่างี้นะท่านอยากให้เล่นเพราะท่านอะเล่นสมาธิมากเนี่ยท่านอยากให้ลูกศิษย์เล่นบ้างนี่หลวง่อก็เล่นใหญ่แต่อูอาจารย์หนุนหลังนะเล่นสนุกสบายไม่ได้เดินปัญญาต่อไม่ใช่ว่าหลวงปู่สอนผิดนะท่านรู้ว่าสมถะนะแต่ท่านอยากให้รักษาสืบทอดในเรื่องสมาธิหลายๆแบบไว้เนะนี่ยท่านชนานาญเรื่องสมาธิมากเลย ไม่ใช่อารมณูปนิชานใช่ไหมไม่ได้ไปจับอารมณ์ไม่ใช่รักขนูปนิชานไม่ได้ตั้งมั่นที่จิตสมาธิประหลาดอย่างนี้ยังมีเลยนะแล้วสมาธิที่ไม่มีในตำราเนี่ยมีเยอะยังมีอีกเป็นเรื่องแปลกๆจนวันหนึ่งนะเล่นอยู่อย่างนี้หลายเดือนเลยชํานาญขึ้นไปเชียงใหม่ไปสัมมนาตอนค่านะหมดทุลาแล้ว ก็ไปที่วัดสันติธรรมจะไปกราบอาจารย์ทองอินอาจารย์ทองอินนี่รู้จักกับท่านท่านลูกศิษย์หลวงปู่ศิมเป็นลูกศิษย์คนแรกเลยของหลวงปู่สิมพอไปถึงหน้าวัดท่านหน้าหนาวมืดตื้อๆเลยไฟดับปรากฏว่ามีพระองหนึ่งมายืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่หน้าวัดสันติธรรมถามท่านบอกว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมครับอยู่อยู่แต่วันนี้อาจารย์บุญจันทร์มา ให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยไม่รู้จักอาจารย์บุญจันทร์ยืนจันทร์หนไม่รู้จักครับผมจะไปหาอาจารย์ทองอินเยยืนกลานนะแล้วก็เดินไปกุฏิอาจารย์ทองอินนะท่านตัตามมาแล้วก็นึกว่าท่านเดินมาจะกลับเข้าวัดไม่ได้สนใจท่านคุยอาจารย์ทองอินชั่วโมงเลยออกมาจากกุฏิอาจารย์ทองอินนะหนาวหนาวนะมืดตื้อๆด้วยเฝ้านี้มาเฝ้าอยู่ดูสิไม่ยอมไป แล้วก็รบเร้านะบอกไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยหนาะหายากนะไม่ใชยท่านจะมาง่ายๆนะเราก็เกรงใจนะโอ้ท่านอุตส่าทนทนหนาวนะทั้งสองรอบนะอันแรกรอบแรกไปรออยู่หน้าประตูวัดรอบที่สองมารออยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินอไปด้วยความเกรงใจเราก็นึกว่ามนจะหมอเลยครับมันดึกแล้วนะไม่ไปหาพระไม่คุ้นเคยนะไปตอนดึกๆดู รบกวนมากเลยท่านบอกไปเถอะไปเถอะ้็เข้าไปหลังวัดให้เป็นกุฏิเป็นกุฏิไม้เรื่องนึ่งเนี่ยไม่โตหรอกก็ขึ้นไปชั้นบนชั้นบนนี่มันมีระเบียงอยู่หน่อยนึงนะมีตังวางอยู่ตัวเลยจานบนจันทร์เนี้คลุมโปองอยู่ท่านป่วยมากลงมาที่เชียงใหม่เนี่ยจะมาหาหมอป่วยนะแต่ไม่เข้าห้องนอนกลุมโปองอยู่หน้าห้องอนะ่ หลวงพ่อไปถึงนะท่านก็ลุกขึ้นนั่งนะเอาผ้ า, ามาคลุมไว้สันๆโสรหน้าออกมาชี้หน้าเลยไงายภาวนาไงาจะเล่าให้ท่านฟังนะผมทำสมาธิแบบนี้เลยนะไม่จับอารมณ์ไม่จับตัวรู้นี่รนะวมลงตรงกลางนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยท่านตะหวาดเอานะบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนายัางไงอีก นึกว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องเพราะสำเนียงเนี่ยฟังกันยากเล่าซ้ําครั้งที่สองแล้วท่านตาวาดดังกว่าเก่าอีกพอตาวาดท่านตาวาดนะเรารู้เลยนี่ไม่ใช่ทางเราเสียเวลามากไปไม่ดีใจมันไม่เอานะสมาธิอย่างนี้ใจไม่เข้าอีกเลยนะถูกท่านตาวาดทีเดียวมันไม่เข้าอีกเลยพอใจเราทิ้งสมาธิอย่างนี้ปุ๊บนะท่านหัวเราะเลยหัวเราะเสียงดังนะฮ่าๆอย่างนี้เลยนะหัวเราะ ถ้าท่านหัวร้อนะเราก็หัวเราอตามท่านด้วยนะอ๋อท่านเบ ahn, ิกบานผมก็เบิกบานเหมือนกันผมไม่ได้เสียดายเลยสมาธิอ ย, อย่างเงี้ยนะหัวเร้อบ้างฮ่าฮ่บ้างเอาพระองค์ที่ไปตามหลวงพ่อนะตอนหลวงพ่อไปกราบท่านที่รำเบียงนะองค์นี้เข้าห้องมุดไปอยู่ในห้องของอาจารย์ทองอินเลยพอหลวงพ่อหัวเราอท่านก็หัวเรอ้ออย่างนึกว่าจะหัวเราอไม่หัวเราอนเราเงียบๆอยู่พอเราหัวเราอท่านอาจารย์บุญจันทร์หยุดปุ๊บเลยหยุดปุ๊บพอท่านหยุดเราก็หยุดปุ๊บ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านบอกเออใช้ได้ท่านลองเหรอท่านลองนะท่านแกล้งหัวเราอลองให้เราหัวเราะนะดูซิจิตเราจะเคลื่อนไหมพ อ, อหยุดปุ๊บก็หยุดเลยนะท่านบอกเออใช้ได้ไปได้แล้วไปได้แล้วไม่มีถามชื่อแท้ทุกสุขไม่มีเป็นใครที่ไหนไม่ถามพอกราบท่านเสร็จแล้วลงออกจากวัดแล้วว่าไปแล้วสดชื่นเริงแล้วนะไม่ติดสมาธินี้แล้วไม่เอาแล้ว ตอนนั้นหลวงปู่เทศไปอยู่ถ้าขามอยู่ไกลไม่เจอท่านพระองคนั้นตามลงมาตามไปส่งที่หน้าวัดนะไปรอลถสองแถวมันจะมาหรือเปล่ามือตืต๊อพระองนี้ก็เล่าให้ฟังเนี่ยท่านอาจารย์ท่านสั่งไว้ตั้งแต่เย็นตอนเย็นหลวงพ่อยังไม่ได้คิดจะมาวัดวัดสันติธรรมเนี่ยยังไม่ได้คิดจะมาเลยไม่รู้จะมาได้เปล่าบอก ท่านเล่าอาจารย์บุญจันทร์เนี่ยสั่งไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่าวันนี้จะมีโยมมาคนหนึ่งนะให้จับตัวไว้ให้ได้เลยนะเอามาหาท่านให้ได้เลยนะเนี่ยแลท่านเล่าอย่างนี้แล้วโอ้โท่านเก่งอย่างเลยครับปรากฏว่าหลวงพ่อก็ไม่เจอท่านอีกนานนะตอนใกล้ๆจะบวชเนี่ยท่านวรนันภาพไปเผาศพท่านแถวปักช่องมาบวชได้เข้าพรรษาที่สี่ ได้สามปีกว่าถ้ามีคนมาจากเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งนะนั่งรถตู้กันมาถามมาจากไหนมาจากเชียงใหม่ใครให้มามาจากสำนักไหนาอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาอาจารย์บุญจันทร์เนี่ยสั่งไว้ว่าวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้นะที่ตรงนี้ตรงนี้นะพวกนี้มาตามที่ท่านสั่งเนี่ยความประหลาด ขออาจารย์บุญจันทร์นะท่านวิชาอะไรของท่านไม่รู้นะแตกชานเก่งกล้า ส, สามารถมากเลยคนไม่ค่อยรู้จักท่านหรอกนี่ท่านป่วยอยู่นานลูกศิษย์ลูกหาก็เลยกระจัดกระจใจนะตอนนี้วัดท่านจะร้างเอาครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งเก่งมีนะสมัยโน้นหาห า, หาไม่ยากอนะเมื่อสมัยเรานี่หายากแนละ้วเราต้องช่วยตัวเองให้มาก หลวงพ่อจะสอนไม่เหมือนที่รุ่นครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะหลวงพ่อสอนละเอียดครูบาอาจารย์เวลาสอนแต่ก่อนเรียนกับท่านเนี่ยท่านสอนนิดนิดนดไม่มากสอนคำสองคาประโยคสองประโยคดูเอาด่าเอาบางทีันะบุญจันตวาดเอาเคยถูกดูเอาก็มีหลวงปู่สามหลวงปู่สามตอนนั้นหลวงพ่อหัดภา น, นามไม่นานท่านไม่สบายไปนวดให้ท่านนวดนวดไปขอนวดท่านนวดไม่เป็นหรอก ท่านก็ยอมให้นวดนะสละแข้งขาให้เรานวดดีไม่ดีเคล็ดอีกนะท่านเมตตาสูงเราก็นวดนวดนวดพอใจลอยปุ๊บนะท่านดุเลยไม่เต็มใจนวดเขาไม่ต้องนวดหรอกบอกเต็มใจครับเต็มใจนวดใจพอใจลอยอีกก็ดุอีกนะครั้งที่สามถึงรู้ว่าท่านสอนท่านสอนไม่ไม่ให้ใจลอยไปให้รู้สึกตัวมีสติอยู่เนี่ยเนถึงได้ฝึกให้มีสติอยู่เรื่อย ครูบาอาจารย์ก่อนสอนไม่เหมือนหลวงพ่อสอนหลว ง, งพ่อสอนบอกตรงๆให้ไปทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้ทำแล้วจะมีผลอย่างนี้นะสอนละเอียดหยิบเลยถ้าสอนนิดๆหน่อยๆพวกเราไม่ทำหรอกคนรุ่นเราเนี่ยพวกคิดมากคิดมากยากนานนะต้องรู้ให้ละเอียดเลยว่าจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรเนี่ยพอรู้ครบสี่ประการนี้แล้วก็ทาบ้างไม่ทาบ้างนะแต่ยังมีทำบ้าง ถ้าอดทนทำนะคนที่เข้าใจธรรมะขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนไม่มีฟลุกเลยนะมีแต่แลกเลือดแลกเนื้อมาเท่านั้นเลยขยันนะ่ะขยันภาวนามาเท่านั้นแอบประเภทนอนเล่นเล่นจะไปนิพพานไปไม่ได้หรอกวั น, วนเอาแต่สนุกสนานเฮฮานะหวังว่าเปิดซีดีหลวงพ่อทิ้งไวนะ้แหละ นะเดี๋ยววันหนึ่งกระแสะทําไหลเข้าสู่จิตผมจะไหลเข้าไปได้ไงนะเข้าหูมันยังไม่เข้าเลยนะจะเข้าจิตได้ยังไงนะงั้นเราอย่าไปคิดอะไรที่ขี้เกียจขี้กล้านนะถ้าเราอยากได้ของดีอยากได้ของพิเศษพิเศษจริงๆครูบาอาจารย์ท่านสอนกันมารับรองกันมานะเป็นของดีของพิเศษจริงๆพ้นทุกจริงๆเลยนะสะอาดหมดจดจริงๆนะไม่มีอะไรปรุงแต่งได้จริงๆเลย เราก็อยากได้ของดีของวิเศษของจริงเราก็ต้องลงแรงทำเอาของฟลุกไม่มีนะของฟลุกไม่มีทุกอย่างต้องทำเอาทั้งสิ้นเลยนี่คือความยุติธรรมยุติธรรมใช่ไหมยุติตามธรรมะอย่างแท้จริงเลยคือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุมันไม่มีนี่แหละยุติธรรมล้นะอา้าวใครจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน เมื่อวานเหมือนมันตอนเช้าเหมือนมันจงใจมันเหมือนตั้งใจจงใจที่จะดูมันมากไปหน่อยครับเอมันก็เลยพอดูไว้แล้วมันก็ดูแบบว่างๆดูไม่ค่อยออกเออมันแก้ใจไปเพ่งเอาแค่เพ่งเอาใจมันก็ไม่ปรุงใจไม่ปรุงมันก็รู้สึกว่างๆครับผมตอนเย็นก็เลยออกไปเดินชงคมทีนี้ก็เลยปล่อยมันดูสบายๆก็พอมันวิ่งไปไหนก็แบบตามดูมันเรอยๆต้แค่นั้นแหละรู้สึกสบายขึ้นมันไม่สุดโต่งสองฝั่ง สุดตรงอันแรกก็คือใจลอยไปแล้วไม่รู้อันนี้หลงไปไม่ดีเรื่องย่อหย่อนไปอย่าไปอาบายสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจไว้ดูไม่ให้คลาด ส, สายตาเนี่ยบังคับใจมันเครียดไม่มีความสุขอันนี้ก็ไปนิพพานไม่ได้นะจะไปสุคติได้เพราะว่าตอนเพ่งๆไว้ไม่ไปทําชั่วอะไรแต่ไม่นิพพาน อนผ่านก็ทางสายกลางไม่เผลอไปแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้แต่เบื้องต้นก็ต้องคอยดูคอยเพ่งไว้นิดหน่อยก่อนพอเรารู้ทันว่าเออนี่เพ่งไปนะพอมันกลายออกไม่นกพอดีนะพอพอดีมันก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับหมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงถ้าเพ่งอยู่ไม่มีอะไรเกิดดับให้ดูมันจะนิ่งๆกายก็นิ่ ง, งใจก็นิ่งไปไม่รอดนะอดีจีนองนอกไหมตอนนี้รู้สึกมัน มันทื่อๆครับอ๋อมันทื่อๆทําไงดีมีไปกดมันสินะแค่รู้มันรู้อย่างที่มันเป็นถ้าใจมันกดแน่นก็มาดูกายดูกายไปสบายๆเปลี่ยนอารมณ์อะถ้ามันเคพ่งแรงนะแก้ไม่ตกนะก็เปลี่ยนอารมณ์เลยมาดูร่างกายพอดูร่างกายสักหน่อยนะจิตใจสบายใจขึ้นมามันก็ย้อนไปดูไหม่อย่างเงี้ยใจมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงขึ้นมา เราเปลี่ยนอารมณ์หนะ้าใจที่ไปล็อกค้างอยู่มันจะเคลื่อนไหวได้พอเคลื่อนไหวได้เราก็ค่อยรู้เอาใหม่นะก็จะดูต่อได้มันต้องมีศิลปะนะมีเทคนิคมากมายในการปฏิบัติต้องสังเกตเอาเองแค่ไหนถูกแค่ไหนพอดีพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางคนนะอดข้าวแล้วพอดีนะสมวันกินข้าวทีหนึ่งแลภาวนาดีอะไรเงี้ยบางคนอดข้าวอาทิตย์หนึ่งภาวนาดี บางคนอดมื้อเดียวก็จะแย่แล้วจิตใจกระเจิดกระเจิงบางคนไม่นอนแล้ ว, วานาดีบางคนต้องนอนให้พอถึงจะภาวนาดีเราต้องดูตัวเองถ้าเรานอนแปดชั่วโมงแล้วสติดีเราก็นอนแปดชั่วโมงนอนสามชั่วโมงสติดีก็นอนสามชั่วโมงเราดูตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันท่าขันไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันการเลือกอารมณ์กรรมฐานก็เป็นศิละปะเราก็ต้องรู้จักว่าเราควรจะใช้อารมณ์อะไรนะ อย่างคนขี้โมโหเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ที่ประณีตที่สบายไปใช้อารมณ์ที่ดูเดือดนะจิตใจยิ่งฟุ้งซ่านหนักกว่าเกา่าคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามให้มันลำบากซะบ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเ อ, อ, ะเ อ, อ้อเลยเกินไปนี่เขาคัดมาดูตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นไม่มีหลักสูตรสําเร็จรูปในการปฏิบัตินะหลวงพ่อเลยไม่เคยสอนเลยว่าจงทําอย่างนี้จงทําอย่างนี้อย่าทําอย่างอื่นไม่เคยมีประโยชนอย่างนี้เลยแต่ละคนไม่เหมือนกัน เมื่อวานก็ดูกายเป็นส่วนใหญ่ค่ะเกรรู้สึกตื่นเต้นอยากจะปฏิบัติช่วงใบายๆก็เลยเห็นมานะอยากมากมก็ละอายเลยสลดไปหน่อยนึงเออดี <ฮะ S 1> ดีที่เห็นนะดีที่เห็นแล้วก็ตอนกลางวันมาคุยกับรุ่นพี่ก็เลยได้เขาคิดปกติจะนั่งสมาธิไม่ได้ค่ะก็เลยอดทนอดทนฟุ้งก็ ก็รู้ว่าฟูงพยายามอดทนปกติอยู่บ้านถ้าฟุงนี่จะลุกเลยค่ะจะเลิกก็รู้สึกว่ามันมีจังหวะที่มันรวมรวมก็คือมันจะรู้สึกเบาแล้วสว่างขึ้นมาใช่แต่จิ ต, ตรวมแต่มันนิดเดียวเองนะคะได้แค่นั้นได้แค่นั้นก็ดีแล้ว <c oughs> ชั่วนิดเดียวอย่าดูถูกนะครูบาอาจารย์สอนบอกว่าจิตรวมเนี่ยชั่วช้างกระติกหูงูแลบลิ้นเนได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์ทั้งหลังอีกนะท่านว่างั้นนะ แต่มาถึงรุ่นเราเนี่ยช้างกระดิกหูมันเป็นไงวะ <c oughs> กระดิกงี้เหรอเลื้ <c oughs> <c oughs> กระดิกอย่างงี้ <c oughs> ไม่ค่อยเห็นช้างละงูมันแลบลิ้นใช่ไหมใครจะไปดูงูใช่ไหมมันตัวอย่างที่ท่านยกมาเนี่ย <c oughs> มาถึงรุ่นเราเนี่ยดูไม่ออกล้วนึกไม่ออกความจริงก็คือถ้าจิตรวมเพียงแว บ, บเดียวนะก็ได้บุญมากแล้วดีอย่าดูถูกจิตรวมหนึ่งขณะนะ เวลาที่เกิดอริยมรรคนะ่ยขณะจิตเดียวไม่มีสองขณะจิตเลยการจิตรวมปุ๊บเดียวนี้แนะ่ะบางคนขาดไปเลยนะถ้าศีลสมาธิปัญญาสติอะไรพร้อมนะรวมปุ๊บขาดเลยช่วงหลังอะคา่ะเวลาทํารูปแบบนะจะสังเกตว่าบางครั้งคุณภาพมันไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่ามันจะเห็นว่ามันไปคิดเยอะจนบางครั้งโมโหอะค่ะ mm hmm. ตอนหลังก็เลยพยายามแบบเออ่ สอใจมันว่าเออเนี่ยมันบังคับไม่ได้ค่ะถ้าทําอย่างนี้ไปจะเหมือนสอนสอนมันนะมันสบายใจพอมันสบายใจมันผ่อนคลายสมาธิมันก็เกิดนะก็เป็นอุบายอันนึงก็ต้องฉลาดในการใช้อุบายก็อีกปัญหาเนื้อค่ะคือหลวงพ่อคะคือนัทจะไม่สามารถจะทําความสงบทําสมถะได้ค่ะเหมือนกับมันทําได้ยากมากสําหรับตัวเองเลยอยากทำ <จะ S 2> ได้ยากก็ทําทําแต่ไม่หวังผล ถึงเวลาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมทําในรูปแบบไปจะสงบไม่สงบจะรวมไม่รวมไม่เป็นไรขอให้ได้ทำถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถ้าเราทําปฏิบัตินะโดยเราไม่หวังผลนะเรายิ่งง่ายถ้าปฏิบัติแล้วเมื่อไหร่จิตจะรวม ท, ทัทีนี่หายใจมาสาบนาทีแล้วไม่รวม ท, ทันทีไม่รวมหรอก เราเมื่อวานนะคะที่มีคนถวายการบ้านหลวงพ่อค่ะที่บอกว่าเขาใช้วิธีสร้างทําตัวความสุขขึ้นมาอันนี้เป็นยังไงอะคะไม่ <แ S 1> ได<ม>้เป็นอุบายไม่ต้องทำํำของเราโอาละล่ามากอยู่แล้วไม่ต้องทํำขอบคุณค่ะหลวงพ่อ <c oughs> ก็มาสักการณ์ครับหลวงพ่อก็รู้สึกว่าความคิดค่อนข้างเยอะครับรู้สึกว่าเมื่อวานก็ดูความคิดตอนแรก ว, วันทีรู้ตัวเนี่ยมันก็ไม่เข้าไม่เข้าฐานเหมือนมันไม่เข้าฐานไม่เป็นไรนะ ก็อดทนรู้ไปเรื่อยๆปใชใช่พอรู้ไปเหมือนอารมณ์ความคิดมันก็ค่อยๆเบาลงเองเห ม, มือนค่อยสงบเองแหรู้สึกว่าไอ้ตัวความคิดมันจะเหมือนกับบังไม่ให้เรารู้อะใช่ <S <S <S <S ความคิดอะปิดบังความรู้ถูกต้องเพ่เลยนะแต่ว่าเราห้ามความคิดไม่ได้หลวงปู ด, ดูลย์บอกจิตมีธรรมชาติคิด <S 2> <S 2> <S <S ใช่ไหมงั้นเราห้ามไม่ได้เขาแค่เขาคิดแล้วเรารู้ว่าเขาคิดไปได้เดี๋ยวเขาก็รวมเองอะ ควมคาดหวังผมคือบางครั้งมันรู้แต่มันก็ไม่เข้าฐานบางทีมันก็รู้แล้วเข้าคือคือก็รู้เรื่อยๆหมอต้องดยอย่างนี้ว่าเราบังคับไม่ได้นะแต่ถ้าเราชํานาญนะมันจะเข้าฐานแล้วไม่ออกไปไหนเลยจะอยู่อย่ันทั้งวันทั้งคืนเข้าฐานตลอดก็คือก็พยายามรู้ไปเรื่อยๆใช่จะเข้าฐานไม่เข้าฐานเอเรื่องของเขาเรื่องของเขาต้องพวกเราทุกคนเลยนะเราถือว่าเราทําเหตุนะส่วนผลไม่ใช่เรื่องของเรานะ ผลเป็นผลงานของเหตุงั้นเรามีหน้าที่พรนาเรามีหน้าที่ปฏิบัติในรูปแบบเราทําทุกวันจิตจะรวมไหมจิตจะเข้าฐานไหมจะได้มากได้ผลไหมเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าเราคิดว่าจิตคือตัวเรานะั้นเราก็ปฏิบัติเราก็อยากให้จิตมันดีอยากให้จิตสงบอยากให้จิตมีปัญญาอยากโน้อนอยากนี้ขึ้นมากลายเป็นว่าปฏิบัติเราเซิฟความมีเราขึ้นมานะ แต่อาจารย์มหาบัวท่านบอกปฏิบัติแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยทั้งนั้นผมต้องไปแก้ไขตรงจุดที่หลวงพ่อบอกค่ะอยู่ที่เข้าใจก็มองมันด้วยความเข้าใจเออมันบังคับไม่ได้จริงๆแหละแม่เพราะพระพุทธเจ้าสอนเก่งสอนถูกเ mm hmm. นี่ยต้องดูอย่างนี้สิไม่ใช่โอ้ทําไมเรามันหวยอย่างนี้ว่าไม่เข้าทันที <laughs> ไม่เข้าหรอกม mm ันสการครับหลวงพ่อืม mm hmm. uh, อย่างบางช่วงเรา ทำในรูปแบบแต่ว่ามันไม่รู้สึกตัวเลยอะไรอย่างนี้<า>ทำอะไรไปแล้วไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างนี้ทําไมไม่รู้ตัวล่ะไม่รู้ตัวไม่ได้นะต้องรู้ตัวมันจะยังไงดีลุง <laughs> ทำในรูปแบบทําอะไรเดินจงกรมเดินจงกลมนะทําไม่ให้สั้นเกินไปไม่ให้ยาวเกินไปยาวเกินไปเราก็เรียกตกท้องช้างใจลอยตรงกลางแล้วเขไม่รู้สึกตรงปลายสั้นเกินไปแล้วเวียนหัว เอาใครมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อเท่าที่จำเป็นนะการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะแม่ชีจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วในปีนี้แล้วไงอ่ะก็ไม่ประมาทนะคะหลวงพ่อก็อยากจะพูดมีความปรารถนาในใจพูดขอตั้งใจที่จะมีสติรู้สึกตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมแม่ชีตั้งใจจะทำให้เพียรให้มากขึ้นมากขึ้น โดยไม่โลภที่หลวงพ่อคุสอนนะเราทําเหตุนะส่วนผลต้อเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแม่คิแม่ชีก็ขอตั้งใจภาวนาให้ให้เป็นบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็หลวงพ่อก็ด้วยเจ้าค่ะก็ขอบใจนะอุชาตั้งความปรารถนาดีนะแม่ชีก็ภาวนานะหลวงพ่อก็ปรารถนาดีกับทุกคนแหละเจ้าค่ะ หลวงพ่อเจ้าค้ามันลืมส่งกันบ้านสะข้อนะเจ้าค้<อ>าเดี๋ยวเกิดไม่มีชีวิตอยู่ เ, <อ>เคยไปเข้าป่าแล้วก็ไปนอนเต็นที่อทองผาภูมิแล้วก็เพื่อนนอนใกล้ๆกันโคลเต็นหัวชนกันนะคะแล้วเพื่อนมาลุกขึ้นเพื่อนก็มาเล่าว่าเมื่อคืนตกใจมากเลยได้ยินเสียงพุทธโธธรทมโมสังโคแล้วเขาก็สวดอีกิีปิโซ ส, สู้เจ้าคะ่ะแล้วอีกจิตนึงก็บอกเอ้ยมันเสียงไม่ชี้นี่ว่าอ้ย เขาบอกงั้นไม่กลัวแล้วไม่ชีระเมรเป็นเสียงพุทโธธรมโมสังโฆเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้ฟุ้งส่านหรือว่าดีเจ้าคะก็ดีแล้วล่ะให้มันฟุ้งไปทางเนี้แหละดีกว่าฟุ้งไปทางอื่นแล้วถ้าเกิดตายไปตอนนั้นไปไหนแล้วเจ้าค่ะไปสุคติถ้าฟุ้งทองหยิบทองยอดฝอยทองคงไม่ไหวอย่างนั้นนะสาธุเจ้าค่ะเพราะไม่ชีใช้อันนี้เป็นวิหารละธรรมในใจเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทำน้ำมาศการหลวงพ่อคะ่ะมี<ง>ฝ่าแล้วตั้งแต่พ่อตายยังไม่เคยส่งมันมก็อยากให้หลวงพ่อชี้แนะเพราะว่ามันรู้สึกมันเหมือนสบายไงบอกไม่ถูกค่ะโอ้สบายมาดูกายดูใจไปนะอย่าเอาแต่สบายนะความสุขระหว่างทางเนี้ยมีเป็นระยะระยะไปถ้าเราภาวนาจิตสงบจิตสบายมีความสุขนะถ้าเราติดอยู่กับไปไม่ได้เราอย่าไปติดของเล็กเล็กเล็ ก, ลกน้อยๆ้ข้างทางนี้ ภาคเพียรดูกายดูใจไปเห็นทุกเมื่อไหร่ก็เห็นธรรมเมื่อนั้นนะนรรมการค่ะหลวงพ่อก็คือจะมาส่งกันบ้านค่ะหลวงพ่อช่วงนี้ก็ทําในรูปแบบอ่ะแต่ว่าสงสัยว่าที่ทําในรูปแบบอยู่เนี่ยใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้เห็นไหมกายกับใจเป็นโคล่าอันเห็นเปล่าเห็นไหมสุขทุกข์กับจิตใจเป็นโคล่าอันค่ะหลวงพ่อเอองั้นถนัดดูจิตไปดูต่อนะ เห็นทุกอย่างเป็นของถูกรู้ทุกอย่างเป็นของผ่านมาผ่านไปใจเราเป็นคนดูแต่เวลาดูแล้วต่อไปมันเกิดความสุขความสบายนะอย่าให้ใจมันไหลไปติดในความสุขข้างนอกนะใจมันจะสว่างออกข้างนอกไปถ้าใจมันไปว่างๆแล้วสบายมีความสุขเรื่อยๆก็ย้อนมาดูกายดูใจไว้นะที่ทําอยู่ใช้ได้นะอย่าให้มันออกนอก หลวงพ่อคะไม่ไม่ไมค่อยเข้าใจคําว่าออกนอกหมายถึงว่าเวลาเดินจงกมงรมีอะค่ะใจมันวิ่งไปอยู่ที่เท้าแต่ออใจอ อ, อ, ออกนอกใช่ไหมคะใจถ้าถ้าจิตเคลื่อนเราออกนอกแล้วนคะําว่าออกนอกของหลวงปู ด, ดูลเนี่ยก็คือจิตมีตัณหาทยานออกไปเคลื่อนออกไปแต่ว่ามันมันไม่สามารถที่จะให้มันอยู่กับทีได้ห้ามไม่ได้นะ อ, ออกเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้นะไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนนะห้ามเคลื่อนตึงเกินไป ถ้าออกนอกไปแล้วรู้อันเนี้ยพอดีถ้าออกนอกแล้วไม่รู้อันนี้หย่อนเกินไปเอาให้พอดีออกแล้วรู้ออกแล้วรู้ออ ก, รกราบนมันสการหลวงพ่อเจ้าค่ะอไม่ได้มากราบ<ด>หลายปีช่วงนี้กลับมาเมืองไทยก็เลย<ด>แวะมากราบนิดนึงค่ะ<ด> กราบเยอะๆก็ได้แอบกราบนิดเดียวมากราบหนวันก็หนูปฏิบัติในรูปแบบเป็นประจำค่ะหลวงพ่อแล้วก็ที่วันหลวงพ่อถามหนูดีกว่าหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองยังมากๆค่ะที่จะเรียนที่จะเรียนหลวงพ่อก็คือว่ามีวันหนึ่งที่หนูสวดมนต์แบบไม่มีเสียงอยู่แต่ว่ามันรู้สึกเหมือนมีปากของตัวเองขยับอยู่ข้างนอกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอย่างงี้คือที่เราเห็น หรือเปล่าอะค่ะมันก็จะมันไปเห็นก็ไม่เป็นไรนะมันจะเห็นเหมือนในร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายกับจิตใจนี่เป็นคนละอันกันจะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นะแต่ว่าไม่ต้องจงใจรักษาสภาวะนั้นไว้นะไม่ใช่ต้องเป็นแบบนั้นตลอดเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ช่างหลังจากที่เห็นมาปะปลายหลายๆครั้งใจมันก็จะอยากอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ ที่ฟังซีดีหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปอยากถ<ช>้าอยากก็ให้รู้ก็ตามรู้ไปแล้วมันก็โกรธตัวเองที่ ม, มันคุมไม่ได้แล้วเราก็<อ>รู้ว่าโกรธใช่ใช่แต่มันก็ยังโกรธแล้วมันก็ยังอยากอยู่มันคุมตัวเองก็ไม่ได้มันจะโกรธห้ามมันก็ไม่ได้เหมโกรธแล้วไล่มันก็ไม่ไปมีแต่คำว่าทำไม่ได้นั่นแหละธรรมะแหะมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไปดู ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถนัดดูอนัตตาถ้าพวกถนัดดูอนัตตาเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นพวกขี้มโมโหขี้มโมโหไหมขี้มโมโหมาก<อ>เนี่ยตามสูตรเป๊ะเลยเห็นไหมไม่ต้องใช้เจตองเจตโตอะไรหรอก <c oughs> เรียนอ่ะพี่ทำมาเนาะก็รู้ละเพราะฉะนั้น <c oughs> ต่อไปนี้นะใจมโมโหรู้ว่าโมโหนะใจมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็รู้ใจมันเคลื่อนดูออกไหมดูออกอใจมันเคลื่อนก็รู้มันเคลื่อนของมันเองไม่ได้ไปห้ามเคลื่อนนะ ใจเคลื่อนเรารู้ไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนนะใจเคลื่อนอีกหรือยังอยากพูดหรือยังนะเห็นไหมรู้ทันลงไปอย่างนั้นเลยนะรู้ทันเขาสดๆร้อนๆเราจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานามัสการพ่อ <c oughs> มันมันไม่ได้อะไรเลยคะ่ะมันโทสะเยอะแล้วก็หลงทั้งวันแล้วก็แต่ละวันเนี่ย รูปแบบไม่ได้ทํามีแค่สวดมนต์ก่อนนอนเท่านั้นเองอะคะ่ะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําว่าคือสมัยก่อนหลายปีแล้วมันเคยทําได้ดีแล้วมันก็รู้ทันความคิดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้อะไรเลยบางทีภาระทางโลกเยอะขึ้นมันก็เป็นนะหรือว่ามีเรื่องจุกจิกข้างนอกมากก็เป็นเสื่อมไปมันก็ต้องช่วยมันนิดนึงแทนที่หนูจะไปไหว้พระสวดมนต์วันละครั้งก่อนนอนอะหนูสวดวันละหลายๆรอบเลย อาจจะสวดในใจสวดสั้นๆหน่อยนะหรือสวดไม่ต้องยาวเอาแค่นโมตัสสาภะะวะตัวอะไรเนี่ยสวดซ้ําๆๆนะรอบละหนาทีอะไรยเงี้ยจะสงบก็สวดจะไม่สงบก็สวดตื่นเช้ามาก็สวดนะไปทํางานก็สวดตอนทํางานไม่ต้องสวดนะหมายถึงตอนเดินทางอะ่นะตอนกินข้าวก็สวดลองทําเป็นช่วงๆอะ่ะช่วงหนึ่งสักหนาทีเท่านั้นะหละ มืนก็ว่าให้ใช้สวดสั้นๆนี่เป็นวิหารธรรานแทนใช่ไหมใช่จะต้องสร้างสมาธิก่อนนะทำให้จิตมีสมาธิซะก่อนเคยพยายามตื่นมาแล้วเดินจงกรมมันก็เดินไม่ได้นั่งก็นั่งเออนะเอาสวดมนต์สั้นๆอะสักทีละหนาทีวันละสองสมรอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วโทสะมันเยอะมันแรงโทสะมากไม่เป็นไรโทสะเยอะมัจะเห็นทุกข์เห็นโทษง่าย สังเกตไหมลงดูเข้าไปเวลาโทสะเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีสังเกตไหมการที่พวกโทสะแรงกล้าปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุง่ายนะไปได้เร็วอะไรเงี้ยก็เพราะว่าโทสะมันนำทุกข์นำโทษมาให้ถ้าเราจะเห็นโอ้โกรธทีไร ท, ทุกทุกทีถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปนะ่าใจไม่เอาหรอกก็หมายความว่าถ้าหนูส่วนมนสั้น อย่างที่หลวงพ่อแนะนําไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก<ม>็จะเริ่มมีสติรู้ทนันความคิใขอเขึ้นมาเองแล้ว<ช>มันจะกลับ ม, มาเองแหละ<ร>ของมันเคยมีอยู่แล้ว<ม>นะหนูวันหนึ่งหลายหลารอบเลยนะ<ม>ถ้ามีโอกาสเอาเลยห้านาทีท่านนั้นนะ่ะนโมตัสยอย่างเดียวก็ยังได้ส่วนอย่างอื่นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็กราบเรียนหลวงพ่อครับปฏิบัติมาประมาณสี่ปีแล้วครับอก็เพิ่งเคยส่งกันบ้านครั้งแรกครับทุกวันก็พยายาม ไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้านะครับอ <earn> ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆครับทีนี้ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้มีอะไรต้องแก้ไขบ้างครับเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นมากครับทํานะทําไปอีกนะต่อไปเราจะเห็นในในกายในใจเรานะมีแต่ของไม่คงที่นะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ <S <S <S <hardest> เดี๋ยวดี <st arts> เดี๋ยวร้ายใจเราเป็นแค่คนดูดูซ้ําดูซากดูบ่อยๆนะดีที่ทําอยู่ดีแล้ว่ะ เห็นไหมว่าจิตมีความสุขได้ด้วยตัวของมันเองเห็นได้ครับเห็นไหมมันมีความสุขผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเ้วก็รู้ไปจิตเขาทำงานของเขาได้เองเขาไม่ใช่เราหรอกไม่มีเราตรงไหนเลยไม่มีเราแม้กระทั่งในตัวจิต่จิตมันทำงานตามใจชอบของมันเองเราสั่งมันไม่ได้ครับดูไปด้วยนะว่าไม่มีเราตรงไหนเลยดูอย่างนี้ได้ว่าไม่มีเราตรงไหนเลยดูไปเรื่อยๆครับหลวงพ่อ ขอบพระคุณครับภานนาดีเห็นไหมมันมีความสุขที่ผุดขึ้นได้เรื่อยๆนะได้ดีเอาหมดเวลาแล้วละเชิญ